คือการที่เรามาเรียนแต่เฉพาะในห้องอย่างเดียวนะมันเหมือนกับว่าคนที่กินอาหารนอกบ้านเป็นอย่างเดียวไม่รู้จักประกอบอาหารกินเองเลยเนี่ยนะทีนี้ถ้าร้านเขาปิดจะว่าไงอดตายเลยเพราะเศรษฐกิจบางทีมันไม่ดีใช่ไหมก็เขาปิดร้านแล้วเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องทําประกอบเป็นเองบัางอะไรม้างเอาหลายๆวิธีเอาอนะแรกๆอาจจะไม่ค่อยอร่อยนักไม่ค่อยประทับใจก็ต้องฝึกทําไปอนะ เพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็เหมือนกับหัดทํากับข้าวทานเองเนี่ยซึ่งปกติถ้าเราไปที่ไหนถ้าเราจะต้องทํากินเองเราจะทํำยังไงการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะฝึกไว้เธออ่านไปเธอเนี่ยนะไม่เข้าใจเนี่ยถ้าบอกว่าเอ้ยอ่านให้มันเข้าใจยากเดี๋ยวจะเพี้ยนบอกถ้าอ่านเรื่องพระพุทธเจ้าอ่านคําสอนแล้วเพี้ยนให้มันเพี้ยนไปเรื่องคำ ว, ว่าก่อนหน้านี้จะดีมานักหน า, างนั้นนะเนี่ย น, นะก่อนหน้านี้เราดีหรือเปล่าไม่ดีอะไรถ้าอ่านแล้วจะเพี้ยนอีกจะไปกลัวอะไรเพราะปกติก็เพี้ยนอยู่แล้วล่ะเนี่ยนะ ยังมั่งก็บ้าอยู่เท่าเอิมนั่นแหละไม่ได้อะไรแต่ไม่แน่นะหายด้วยเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เราทนทุกข์อยู่แล้วละ่ะนั้นอย่าไปกลัวเลยเนี่ยนะถ้าจะกลัวเนี่ยนะถ้าคําของปุถุชนเนี่ยน่ากลัวว่าตรงๆเลยนะคำของปุถุชนพูดนี่น่ากลัวที่สุดแต่คําของพระพุทธเจ้าเป็นต้นแสดงไว้ในพระไตรปิฎกไม่มีน่ากลัวเพราะเป็นคําพูดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข ผู้ที่เขาเข้าถึงประโยชน์แล้วเขาเอาประโยชน์เหล่านั้นมาบอกเราจึงไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวอะไรในระอตัยพิดกเนี่ยแล้วก็คนบางทีมันเข้าใจผิดนะชอบไปหยิบไปเล่มโตที่สุดหนาที่สุดเอาเล่มที่เก้าสิบเอ็ดเนี่ยนะหรือไปเอาเล่มไหนที่อ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องจะได้เหตุผลว่ายากเกินไปก็มีทั้งหลายเล่มที่อ่านพอรู้เรื่องก็ไม่ยอมอ่านชาดกบอกง่ายเกินไปอีกเนว่าเป็นนั้นบางทีมาหาเรื่องจนไม่อ่านนะนะ สรุปว่าก็ถ้าถ้าชั้นยังตาบอดก็ไม่ไม่เสียหายอะไรเปรียบเหมือนว่าไปหาหมอหายาแล้วก็บอกหมอให้ยามาก็บอกยานี่มันขมไปบ้างมันไม่เห็นหวานเลยมันหาเหตุผลจนไม่ต้องกินยาแล้วก็ไข้ขึ้นเอา้าขึ้นเอาอ่นอนะตรงนี้ก็จะไปโทษหมอหมอก็จะไปว่ารั้นนะก็ยาก็เอาไปแล้วเหมือนกันนะพระไตรปิฎกก็เหมือนกันนะสมัยนี้มีบุญที่สุดไม่มีที่ยุคไหนแบ่งพระไตรปิฎกขายเป็นเล่มอย่างนี้หรอกโบราณซื้อเป็นชุดอย่างเดียว นะเนี่ยเชื่อเป็นชุดอย่างเดียวท่ตอนนี้แบ่งขายแล้วก็เนี่ยถ้าเอาแบบอะไรนะัเป็นแผ่นเนี่ยก็แทบจะได้ฟรีอยู่แล้วถ้าถ้าอะไรนะใช้แผ่นซีลอมเนี่ยมันแทบเหมือนให้เปล่าให้ฟรีอ่ะนะก็มี่บุญที่สุดแล้วแต่เชื่อเถอะถ้าบุญอันนี้ท่านไม่รับนะหรือท่านรับไปไม่ได้ขอแสดงความเสียใจยด้วย <c oughs> นะนะก็หวังว่าคุยกับลูกกับหลานญาติไว้ให้ดีว่าเขาอาจจะกรวดน้ําไปให้บ้าง นีนะไม่งั้นเดือดร้อนนี้ไม่ได้ขู่นะเล่าให้ฟังเขามีเรื่องสมัยสมัยพุทธกาหลังพุทธกาลเนี่ยนะคือปู่ของพระเจ้าอาศกชื่อว่าพระเจ้าจันทรคุบเนี่ยนะพระเจ้าจันทรคุบเนี่ยเขาจะไปตีเอาเมืองตีเอาเมืองเขาจะแย่งแย่งไอ้แผ่นดินตรงนั้นอ่ะที่แถวแถวปาตาลีบทเนี่ยคืนพระเจ้าจันทรคุบเนี่ย ก, ก็ก็ไม่ค่อยฉลาดเนี่ยนะ ยกกองทัพไปเนี่ยจะไปตีเอาตัวเมืองเลยนะก็ถูกด่ากลับมาอ่าก็แพ้นะรบอยู่หลายครั้งเนี่ยยกทหารไปหลายครั้งเนี่ยก็แพ้กลับมาทุกครั้งนะอันนี้ปลูกพระเจ้ า, าโศกเนี่ยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งอั น, นี่ยหนีทัพกระเจิดกระเจิงมาแล้วก็มันซุกอยู่แถวบ้านชาวบ้าน <Yeah. S 1> ยายคนหนึ่งเขาทอดขนมให้หลานกินไอหลานคนนี้เนี่ยพอเห็นขนมปั๊บร้อนๆเนี่ยก็ยัดใส่คําปากใส่โตเลยนะ ยายก็ด่าบอกว่าเอ eng นี่มันโง่เหมือนพระเจ้าจันทรคุบเลยเขาบอก ง, งั้นตะกร้าตะกรามกินไปหมดเลยอ่ะนะค่อยๆกินสิะนะพระเจ้าจันทรคุปก็ได้อันนั้นแหละได้ข้อคิดอันนั้นแหละแล้วก็ไปวางแผนค่อยๆตีเมืองขึ้นแล้วตอนหลังแกก็ชนะอะนะ <c oughs> ของเราก็เหมือนกันพระไตรปิฎกก็จะเอายอดเลยทีเดียวเลยนะเขจะเอาจนเบื่อแล้วก็เลิกไปเ <c oughs> คยยกตัวอย่างเช่นะถ้าเรา เรารู้ว่าเราเรียนเรื่องศีลมาแล้วว่าศีลคือศีลณ ะ, ะใช่ไหมศีลณะนะเพราะอาจถาว่าอะไรศีลณ ะ, ะมีสองความหมายหนึ่งควบคุมกายวาจาไม่ให้เกลื่อนกลนกระจัดกระจายสองอนนรองรับภูมศรธรรมชั้นสูงเนี่ยทีนี้เรารู้แล้วว่าอา้าวศีลมีอะไรบ้างเช่นปานาติบาศการงดเว้นจากปานาติบาศการงดเว้นจากอาทินนาทานปานาติบาศมีอะไรเป็นอารมณ์ ชีวิตตินซีถ้าเราปรารบนะักกายวาจาเราต้องไม่เกลื่อนกลนเพื่อฆ่าเขาเราต้องเอาการเว้นอันนี้เพื่อรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นมณสิการสิ่งมีชีวิตที่ไหนเราต้องรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้เราก็นึกอย่างนี้ไปก่อนใช่ไหมนั่นคือชื่อว่านึกอาวัชนะเมื่อนึกอย่างนี้เราจะรู้เรื่องศีลบ่อยไหมท่านนึกปั๊บชวนะมันก็รู้ตามที่นึกนั่นแหละเมื่อรู้ก็จะเห็นคุณของศีลเอง นะยิ่งถ้ารู้เห็นอย่างนี้บ่อยๆจะเริ่มเห็นแล้วโอ้เนี่ยพวกผู้ศีลเนี่ยเป็นอย่างนี้อานานสัตทั้งหลายเช่นเดราชาณ น, นะถ้าถ้าเห็นเยอะๆนะจะเห็นเลย ว, ว่าเดราชานที่เขาเกิดเป็นเดราชาณเพราะเขาผู้ศีลบุคคลทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ก็เพราะเขามีศีลเขาจึงได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นเราก็อาวัชนะอย่างนี้ได้บ่อยๆเมื่อนึกเมื่อรู้เมื่อเห็นอย่างนี้เราก็จะพิจารณาใช่เมื่อพิจารณาเราจะสมาทานอธิษฐานไม่ว่า ทุกอย่างเหล่านี้จะต้องเป็นที่ตั้งแห่งศีลของเราขณะนั้นเราก็ได้ชื่อว่าเจริญศรัทธานะคุณธรรมอื่นๆก็จะตามมาในลักษณะนี้ขอให้เราน้อมไปเพื่อจะนึกก่อนเธอเนี่ยนะนึกถึงพยายามนึกถึงศีลไว้บ่อยๆแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่นึกถึงคําว่าศีลศีลศีลศีลแล้วก็แผ่แล้วก็หลับเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยดูท่าก็ลําบากเหมือนกันนะ การการนึกนะหมายความว่าศึกษาสิกขาสามให้เข้าใจแล้วหมั่นนึกถึงตัวสิกขาเหล่านั้นที่เราศึกษาจนเข้าใจแล้วเนี่ยนะก็เอามานึกบ่อยๆแม้กระทั่งการพิจารณาที่เรียกว่าวิปัสสนาทั้งหลายเมื่อทําปริญญาณในอารมณ์นั้นๆเนี่ยนะก็คือพิจารณาสภาวะอันนั้นพร้อมทั้งปัจจัยแล้วเนี่ยก็พยายามหมั่นที่จะนึกเพื่อเห็นความไม่เที่ยงอ่า น, นะเพราะอาวัชนะต้องเกิดก่อนนะชาวนะจึงจะเกิดตามมา ถ้าเราไม่มันนึกล่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพราะชาวนะทั้งหลายเนี่ยมันอาศัยอาวัชนะขึ้นเป็นลําดับแรกที่เรียกว่ามโนทวาราวัชนะเราไม่ได้เจริญปัญจทวารไม่ใช่หรือเจริญปัญจทวารหรือเจริญมโนทวารปัญจทวารเนี่ยนะมันมันไม่ฉลาดอะไรหรอกท่านเขาไม่ได้เจริญตัวปัญจทวารท่านปัญจทวารเอ่อเป็นที่เรียกวัดศีลยังไม่ได้เอาแบบเนี้ยนะ ปาติโมขสังวรไม่ได้สําเร็จด้วยปัญจทวารขนาดปาติโมขสังวรยังไม่ได้จะกล่าวไปใยัยถึงสมถะและวิปัสสน า, าเพราะฉะนั้นไม่ได้เจริญตัญจทวารถ้าเราท่องเที่ยวเจริญตัญจทวารนะโดยเฉพาะพระพิสุทธ์เนี่ยจะมีอินทรีสังวรเข้ามาหรือทําไมต้องมีอินทรีสังวรเนี้ยแสดงว่าไม่ได้เป็นการเจริญปัญจทวารแต่เป็นการเจริญมโนทวารคือการเข้าไปพิจารณาเนี่ยนะ ก็วิสัยผู้มีปัญญาเนี่ยนะถามว่าจะต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองทุกเรื่องหรือไม่นะจำเป็นขนาดนั้นไหมเราเราต้องตกนรกก่อนหรือจึงจะเชื่อว่าอนรกมันร้อนนะต้องกลับไปเกิดใหม่เออใช่แล้วเพราะว่าชาติพิทุขาเราต้องไปคลอดมาก่อนนะแล้วค่อยไปละลึกโอ้โหทุกจริงจริงเลยนะหรือต้องไปป่วยก่อนไปเจ็บก่อนไปพัดท่าก่อนเออใช่ใช่ใช่ไหมต้องอย่างนั้นไหม ไม่ใช่เลยเพราะแต่การเจริญอันนี้เจริญปัญญาเนี่ยนะเป็นการเจริญปัญญาปัญญาอาโลโก้ปัญญาโอภาโสโผปัญญาเหมือนอะโลกะก็คือแสงสว่างโอภาสก็คือแสงสว่างเนี่ยนะปัญญานี่เหมือนกับปราศาสต์หมายว่าสูงเนี่ยนะเพราะขึ้นผู้ที่อยู่บนปัญญาก็จะมองเห็นอะไรได้โดยรอบเพราะฉะนั้นว่าหมันเจริญหมันระลึกหมันพิจารณาไปเถอะเพราะว่าการพิจารณาเหล่านี้ก็เป็นการ ปฏิบัติธรรมนี่แหละสําคัญก็คือทําไมจึงไม่พิจรารณาอันนี้น่าตั้งเป็นคําถามที่สุดเนี่ยนะการการนึกบ่อยๆเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะสำคัญว่าถ้าเราเห็นว่าเป็นสาระเราจับทำได้เนี่ยนะสำคัญตรงนั้นนะอาสาเรสารมติโนยะฐานเนี่ยพวกพวกการรู้อะไรเป็นสาระไม่เป็นสาระถึงตอนแรกเรายังทําไม่ได้ แต่ขอให้มีใจไว้ก่อนเถอะนะสำคัญมากตรงเนี้นะขอให้มีใจว่าเราจะต้องเจริญได้จะต้องทําได้นะต้องเจริญได้ต้องทําได้น้อมไปเพื่อจะทําได้ทีละเล็กทีละน้อยก็ทําไปเถอะแม้กระทั่งในธรรมบทเนี่ยนะหรือสำนวนที่พระองค์ตรัส ก, กับเศรษฐีตีนแมวนะภาษาไทยเรียกวเศรษฐีตีนแมวเนี่ยที่เรียกว่าเศรษฐีตีนแมวหมายความว่าเวลาจะหยิบของให้เนี่ยจะใช้สามนิ้วอะจับเช่นจับถั่วก็จับสามนิ้วอะ จับเข้าวข้าวสารมาจับสามนิ้ว่ให้ทันเนี่ยเขาก็เลยเรียกเสถีตีแนแมวเนี่ยนี่อนหลังเนี่ยเรื่องนี้ ก, ก็รู้ถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าอย่าดูถูกบุญแม้แต่ปริมาณที่เล็กน้อยขนาดน้ําเนี่ยนะที่หยดลงตุ่มเนี่ยหยดทีละเล็กทีละน้อยน้ําก็ยังเต็มตุ่มได้ฉันใดบุญที่เราเจริญนะแม้กระทั่งแต่ละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ฉันนั้น แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู dash, ้ที่เจริญเนี่ยพอเจริญไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะเป็นพระขึ้นมาเองเนี่ยนะมันจะเป็นพระโดยธรรมชาติเองเช่นถ้าเจริญไประดับหนึ่งศรัทธาเราก็มีกําลังขึ้นวิริยะเราก็มีกําลังขึ้นสติสมาธิปัญญาเป็นต้นก็มีกําลังขึ้นโดยที่เรียกว่าไม่ต้องให้ใครมาประคับประคองเราด้วยซ้ําไปเราก็จะเตือนเราด้วยตัวเราเองเราก็ไม่ต้องให้คนอื่นมาเตือนหรอกคือถ้าเจริญไประดับหนึ่งนะถ้าเชื่อและเหมือนกับว่า ถ้าใครที่ชอบทานอาหารอร่อยๆเนี่ยต้องให้คนอื่นเตือนก่อนไม่ได้เวลาบริโภคแล้วนะต้องเตือนไหมไม่ต้องถึงเวลาก็จะไปบริโภคเองเพราะว่ารู้ประโยชน์อยู่แล้วแล้วก็เราก็ชอบในสิ่งนั้นอยู่แล้วการเจริญกุศลธรรมก็เหมือนกันถ้าเจริญจนอกุศลมันลดลงกุศลมากขึ้นมากขึ้นมันก็น้อมไปเพื่อจะเห็นโทษแห่งอกุศลทีนี้คนที่เจริญกุศลได้ระดับหนึ่งเนี่ยนะถ้ากุศลไม่เกิดเขาเดือดร้อนเนี่ยนง เขาเดือดร้อนทันทีเลยถ้ากุศลไม่เกิดนะีเขาจะรู้ว่ามันเหมือนกับว่าเอ๊ะทําไมมันมันแห้งแล้งอย่างนี้พราออากุศลมันเกิดนะไปใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้เพราะพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าคนที่สะอาดจะไม่ยินดีในบาปใช่ไหมคนที่สะอาดจะไม่ยินดีในบาปฉันใดผู้ที่ประพฤติสุดจริญเหล่านี้ก็เหมือนกันจะไม่ยินดีในทุจริญโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าเป็นอกุศลมันจะร้อนทันทีที่เปรียบเหมือนว่า ผู้ที่จับไฟใช่ไหมผู้ที่เรียกว่าคนมีความรู้กับคนไม่มีความรู้ในเรื่องไฟนะใครจะจับได้นานกว่ากันะคนไม่มีความรู้ในเรื่องไฟก็เกาะเต็มที่ใช่ไหมแต่ถ้าคนที่มีความรู้เรื่องไฟเขาก็บางทีก็ไม่จับเต็มที่หรืออาจจะใช้เครื่องมือในการช่วยจับฉันใดผู้ที่รู้อะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษจิตเขาจะไม่หมกมุ่นไม่คลุ่นคิดไปในบาปในอกุศลก็จะพยายามเกียดกันอกุศลเต็มที่ อันนั้นแหละเป็นวิริยาวิริยะสังวรเนี่ยนะอันนี้แหละที่เรียกว่าต้องใช้ความเพียรแต่ว่าระลึกถึงพุทธพจน์ไว้บ่อยๆนะว่าบุคคลที่จะร่วงทุกได้เพราะความเพียรเพราะฉะนั้นอย่ า, อ ย, า, อ, ยาอย่าทิ้งความเพียรเลยเนี่ยนะความเพียร น, นี้เป็นคุณอันยิ่งใหญ่มากที่ทำปัญหานิดก่อนจะพักสักสิบห้านาทีนะครับเมื่อเมื่อครู่นี้คุณเจ้าแสดงว่า าการเจริญเนี่ยเป็นการเจริญทางมโนทวารไม่ใช่ทางปัญจทวาร น, นคะครับแต่ว่าอินริยาสังวรเนี่ยเป็นการสังรวมทวารทั้งทั้งหกนคะครับการที่กุศลจะเกิดหรือว่าเป็นศีลทางทวารห้าเนี่ยขึ้นอยู่กับมโนทวารหรือว่าขึ้นอยู่กับทั้งหกทวารเลยครับเธอหลักๆแล้วจริงๆอยู่ที่มโนทวารเธอเราต้องคิดนะว่าเช่นก่อนที่จะดูอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยมันมีความตั้งใจก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ตั้งใจที่จะดูก่อนนะนะเสร็จแล้วก็ดูดูแล้วก็คิดทางมโนทวารต่อไปอีกซึ่งอาวัชอชวนะทางปัญจทวารเนี่ยไม่มากถ้าเทียบกับมโนทวารเพราะฉะนั้นถ้าตั้งมโนทวารได้ก็ตั้งปัญจทวารได้ไม่ยากนัดนะนะแล้วก็วิธีฝึกก็ฝึกที่มโนทวารแต่ก่อนหมายถึงว่าการที่เราจะมีสติในการที่จะไม่หลงลืมทางตาหัวจมูกลิ้นกายนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรา ได้ตั้งสติไว้ก่อนาาธรรมดทวารท่านอินทรีสังวรท่านบอกว่าสำเร็จด้วยสติสัมปชัญญะใช่ไหมในดีกาท่านจึงบอกว่าคือการตั้งใจเอาไว้ก่อนนั่นเองคือตั้งใจก่อนที่จะเห็นก่อนที่จะได้ยินคือถ้าว่าโดยรวมๆเนี่ยนะผู้ที่จเจริญเจริญกุศลจริงๆจะรู้อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมนะในการที่จะเห็นที่จะดูเนี่ยนะจริงๆการเห็นการได้ยินเนี่ยจริงๆทั้งวันเนี่ยเป็นเรื่องซ้ำซากนะส่วนใหญ่ อยู่บนถนนเห็นอะไรก็เห็นรถเห็นคนก็มีอยู่เท่านั้นแหละแล้วก็ไม่รู้จักชื่อถ้าส่วนใหญ่ก็ไม่มีธุระอะไรที่เราจะต้องไปเที่ยวถามชื่อประวัติอะไรเขาทั้งหมดก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราเลยนะก็มน้าสิการเป็นกรรมฐานไปก็แค่นั้นเองทํำยังไงเราก็วงว่างเราก็คิดก่อนจะออกจากบ้านก็ได้ว่าจะต้องเจออะไรบ้างก็เจอรถเจอถนนเจอคนเดินเนี่ยก็เจออยู่เท่านั้นแหละและคิดยังไงให้เป็นกุศลอันนั้นก็ตั้งไว้ก่อนนะลองมาไล่ดูหนึ่งสองสามสี่ห้า จเจริญกุศลอะไรได้บ้างก็พยายามถือเอากุศลนั้น่ไปด้วยอันนั้นแหละเป็นการตั้งสติและสัมปทาญยาซึ่งเคยแนะนําบางท่านบอกว่านี่พอขึ้นรถปั๊บนะีสมาทานเมตตาเลยนะสมาทานที่จะเจริญเมตตาเนี่ยตลอดถนนเส้นนี้กว่าจะถึงถึงที่ไหนก็ได้ที่เราปาจะไปอ่ะนะสมาทานให้เป็นเมตตาถ้าไม่ได้ก็สมาทานบ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นก็จะเริ่มได้นะจะลงอยู่บนถนนสายนี้เราก็จเจริญได้แหละถ้าที่อื่นอีก แห่งอื่นแห่งอื่นเราก็จะเจริญอย่างนี้ไปเรื่อยนะก็สามารถทำกุศลที่เรียกว่าโดยรอบได้เจริญได้ทุกหนทุกแห่งได้